สังขายานสังขารูปเปกขายานก็คือสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะก็คงเป็นรายละเอียดทั่วๆไปส่วนเกี่ยวกับมุนจิตุกรรมไม่ตาย า, ยานเป็นต้นก็คงเป็นเสาหน้านะเช่นฟังสำหรับเสาเนี้ก็คง เ, เกี่ยวกับการฟังธรรมนี่คงใช้เวลาเท่านี้ก็หลายๆท่านนะที่นี้ก็เที่ยวสแสวงหาเสาะหาค้นหาว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนหนไหลายท่านมาเล่าให้ฟังว่าไปไหว้พระเจดีย์ไปสวดมนต์ไปสรนเสริญไประ ล, ลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการที่เขาไปเที่ยวส่อหาสแสวงหาค้นหาซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ชื่อว่าได้ส่อหาสแสวงหาบุคคลที่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกค้นหาผู้ผู้ประเสริฐผู้สูงสุดทีนะ่ผู้สูงที่สุดใน โลกที่ไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีผู้เสมอเหมือนอนะผู้ที่ดีที่สุดสูงที่สุดประเสริฐที่สุดขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ผู้ที่ประเสริฐกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถามว่าท่านประเสริฐ ด, ด้วยอะไรบ้างตัวอีกครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐด้วยหนึ่งปุพพะจรยาคุณ คือพระคุณอันประเสริฐที่พระองค์ปร ะ, ประพปฏิบัติตลอดระยะยาวนานตั้งแต่ความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางใจเปล่งวาจาทางเปล่งออกมาทางวาจาและพระองค์ได้รับพุทธพยากรก็ยังบำเพ็ญบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมาภปารมีส0มหาบริจาคหอธิฐานธรรม4ตลอดระยะเวลาอันไม่มีระหว่างขั้น4อสงไขยแสนกับ จึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอันเกษมเป็นธรรมที่สูงที่สุดทำให้พระองค์เป็นบุคคลที่สูงที่สุดเพราะพระองค์นี้เที่ยวสแสวงหาเสาะหาค้นหาโพธิญาณอันสูงสุดพบข้อความในหลายๆแห่งนะในระหว่างที่ท่านสแสวงหาโพธิญาณอยู่ท่านก็ไปเจอในสิ่งที่ท่านพอใจมากหลายๆอย่างเป็นที่รักเป็นที่พอใจแต่กระนั้น ท่านก็บอกว่าท่านพอใจในโพธิญาณมากกว่าสมัยเป็นพระเจ้าศรีวิราชท่านก็บอกว่าดวงตาของท่านท่านก็รักท่านก็หวงแหนท่านก็ทะนุถนอมเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคนที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกอยู่อย่างพาสขก็คือคนที่มีดวงตาใช่มพระเจ้าศรีวิราชท่านบอกว่าท่านรักดวงตาของเออท่านรักโพธิญาณมากกว่าดวงตาเป็นร้อเท่าพันเท่าแสนเท่า ชาติที่ท่านเป็นพระเตมีใบเป็นพระเตมีใบเนี่ยนะบอกพ่อแม่ท่านท่านก็รักท่านก็เคารพทรัพย์สมบัติใหญ่ท่านก็รักท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านเกลียดชังอะไรแต่ว่าท่านรักโพธิญาณมากกว่ารักที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าแล้วก็ชาติที่ท่านเป็นพระเวสสันดรใช่ไหมท่านก็ให้ปุตรตาธาระคือบริจาคบุตรบริจาคภริยา ก็บอกว่าบุตรท่านก็รักเนี่ยนะท่านก็รักเสมอด้วยชีวิตของท่านนั่นแหละภรรยาท่านก็รักแต่ว่าท่านรักโพธิญาณมากกว่ า, านี่นะแสดงว่าสิ่งในโลกที่ประเสริฐยิ่ยงกว่าโพธิญาณไม่มีโพธิญาณ น, นั้นคืออะไรหนอะไรอรหัตตมรคนี่นะอรหัตตมรที่เป็นเหตุใกล้แห่งสัพพัญยุตยานเป็นเหตุใกล้แห่งอาสาธารณญ า, าน ท่านสแสวงหาโพธิญาณเนี่ยตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับทันโพธิญาณนั้นที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือพวกสติปทานสัมมาปทานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงท่านตั้งความปรารถนาเพื่อจะค้นหาสติปทานสัมมาปทานอิธิบาทอินทรพละโพชฌงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตั้งใจเอาไว้อย่างนี้สี่อสงไขยแสนกับว่าสติปทานอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนของเราหาเจอกันหรืยอย่างเนาะ เป็นเป็นสิทธ์ของพระพุทธเจ้านะั้นหาเจอหรือยังสติประธานอยู่ตรงไหนอยู่เล่มสิบเจ็ดใช่ไมโอ้ยอยู่เล่ม 17, ลลล <c oughs> สมิบเจ็ดเหรอนาสงสารคนสอนนั่นนะสมรประธานอยู่ที่ไหนอบอกว่าเล่มเจนะ็ดสิบแปดไหมอิทธิบาทอยู่ที่ไหนก็เล่มเจ็ดสิบแปดอีกเหมือนกันเล่มสามสิบกว่าก็มีเหมือนกันนะ อินทรีห้าอยู่ที่ไหนบอกอยู่ในปฏิสัมพิท า, านะบอกเถรบอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปไตยปิฎกอะไรยังไ้ก็น่าเศร้า อ, อะไรจะน่าเศร้ากว่า น, นี้ไม่มีอีกแล้วนะก็คือการสแสวงหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สแสวงหาจากหนังสือแต่สแสวงหาจากชีวิตจริงหนังสือเป็นเครื่องชี้เครื่องบ่งบอกว่าอะไรอยู่ที่ไหนใช่ไหมหนังสือเนี่ยบอกพระธรรมที่ประกาศเอาไว้ แต่ที่สําคัญคือทรงจําคําสอนเหล่านั้นแล้วมาสแสวงหาในชีวิตจริงในในชีวิตจริงจริงนี่เราค้นพบสติปัญญาไหมในชีวิตจริงค้นพบสัมมาปัญญาอิทธิบาทอินทรพละโพชฌงค์ไหมพอไหมที่เราจะได้ตรัสรู้ตามพระองค์พอไหมที่จะพ้นทุกข์ตามพระองค์ขณะเดียวกันพระองค์นั้นก็ยังยังมีพระคุณคือพระ สรีระคุณอย่างที่เราทั้งหลายไปเที่ยวกราบไหว้นะโดยมากก็ไปกราบไหว้สรีระคุณใช่ไหมกระดูกของพระองค์อยู่ที่ไหนพูดแบบภาษาไทยๆหน่อยนะกระดูกพระองค์อยู่ที่ไหนที่เราเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุอยู่ที่ไหนอะพระอะไรพระเขี้ยวแก้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่พุทธมณฑลเนี่ยนะ อยู่ที่เมืองแคนดี้อยู่ที่นกคราชแล้วก็อยู่ที่ดาวดึงนแล้วพระโลม า, าธาตุอยู่ที่ไหนอยู่ตามจั ก, กรวาลต่างๆที่เทวดาเอาไปบูชาพระาธาตุทั้งหลายเหล่านี้พระสารีริกธาตุทั้งหลายเหล่านี้เมื่อก่อนนะเป็นสรีระที่ประกอบไปด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะรายละเอียดเปรีกย่อยที่มาประดับอีกแปดสบมีฝ่ามือฝ่าเท้าที่มีมงคลร้อยแปดอยู่ในนั้น มีสรีระที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีพระสุรเสียงดังเสียงพรมเนี่ยนะเป็นเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์8มีพุทธสรีระอะ่ที่ประกอบด้วยโดยเฉพาะกรรมมชรูปนี้งดงามวิจิตมากเพราะว่าบุญที่สังสมม า, ส อ, าสอสงไขยแสนกลับเนี่ยมาตกแต่งเนี่ยนะมาตกแต่งตันจึงไม่มีส่วนใดที่มีรอยด่างรอยพร้อยความเสียหายในพระสรีระไม่มีแม้แต่น่อยเดียว เพราะบุญที่สั่งสมตลอดสี่อสงไขยแสนกลับมาแต่งเป็นอย่างดีเนกนะ็คื อ, คอถ้ามองกรรมเป็นในช่างพระพุทธสรีระเป็นเป็นสิ่งที่ถูกตบแต่งเนี่ยนะกรรมคือในช่างที่ทำไว้อย่างดีก็มาตบแต่งให้พุทธสริระที่งดงามอันนี้ในในส่วนของกรรมมาชื้อรคส่วนของจิตชจตชรคแหละจิตตชรนั้นพระพุทธเจ้า เวลาพุทธดำเนินนั้นมีจิตตชรูปรที่มีมหากิริยาเป็นสมุทฐานโดยมากมีมหากิริยาเป็นสมุทฐานเป็นมหากิริยาที่ไม่มีเชื้อแห่งบาปไม่มีเชื้อแห่งอกุศลเป็นพุทธอะไรนะเป็นพุทธลีลาที่ที่มีจิตโดยเฉพาะจิตที่เป็นสัพพัญยุตยานเป็นต้นเป็นสมุทฐานมีพระมหากรุณาคุณเป็นสมุทฐาน มีพระปัญญาคุณเป็นสมุทฐานอันทำให้กิริยาอาการยืนเดินนั่งนอนของพระองค์นั้นจึงเป็นไปด้วยพุทธสริระที่ที่เทวดาทั้งหลายเขาอยากเห็นนะเทวดาทั้งหลายที่มาจากจักรวาลต่างมาเห็นเทวดารูปใดท่านใดที่ไม่ได้เห็นเทวดาเหล่านั้นก็จะร้องให้กลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นดินว่าเราเนี่ยบุญน้อยบุญน้อยที่ไม่ได้เห็นพระองค์ตอนนี้เรานี่บุญน้อยอยิ่งกว่าเทวดาเหล่านั้นอีกนะ ตอนนี้ก็ไปเที่ยวกราบว่าพระศรีระธาตุแม้กระทั่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ที่ไหนก็ไปเที่ยวหากราบหาไหว้กันขณะเดียวกันพอไหมที่เราสแสวงหาเฉพาะพระศรีระคุณพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระวกลิอยู่เสมอใช่ไหมวักลีประโยชน์อะไรที่เธอด้วยเห็นศรีระที่เปือยเน่านี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต มันถ้าหากว่าเราจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าไปไหว้พระพุทธเจ้าให้ถูกต้องไม่คงไม่หยุดอยู่แค่พระสีระธาตุคงเลยไปหาพระคุณพระคุณะคุณคุณธรรมของพระองคคุณธรรมของพระองค์ก็คือไประลึกถึงอรหันตคุณในความเป็นพระอรหันตของพระองค์อย่างการที่เราสันเสริญสวดสาทยายบทเหล่านี้เป็นบทสันเสริญพระคุณต่างๆของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย คุณเช่นนี้คุณเช่นนี้อันนี้เป็นการรู้จักพระองค์โดยคุณธรรมเรารู้จักพระองค์โดยคุณธรรมนี้จะทำให้เราตั้งมั่นแต่ถ้าหากว่ารู้จักพระองค์เฉพาะสรีระไม่แน่นะว่าเราจะตั้งมั่นอะไรศรัทธาของเราก็ถือว่ายังเป็นศรัทธาที่เลื่อนลอยอยู่ถ้ายังมีเฉพาะพระธาตุเป็นอารมณ์อยู่ก็แสดงว่าเป็นศรัทธาที่ยังเลื่อนลอยแต่เมื่อใดที่มีพระคุณอย่างแท้จริง มีอรหันตคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็นับว่าตั้งมั่นดีระดับหนึ่งเนี่ยนะก็ถือว่าตั้งมั่นดีทีนี้เมื่อมีศรัทธาในอรหันตคุณเป็นต้นซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาสติทั้งหลายก็โคจรไปในพุทธคุณเรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติพระพุทธเจ้าบอกว่า บุญที่ลังไหลไปเป็นท่อทานแห่งบุญท่อทานแห่งกุศลคาว่าท่อบุญท่อทานแห่งบุญเหมือนกับกระแสแห่งแม่น้ำแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงที่ไหลออกมาเนี่ยไปตวงไม่สักกี่ลิตรดีโดยที่แท้ก็นับว่าเป็นกระแสน้ำที่ไหลท่วมเป็นกระแสน้ำที่ลังไหลเป็นห่วงน้ำที่ใหญ่มาก ฉั้นใดก็ดีบุญทั้งหลายบุญทั้งหลายที่เราตามและลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นคุณที่หาประมาณไม่ได้เห็นไหมเป็นบุญที่หาประมาณไม่ได้เป็นบุญที่คํานวณไม่ได้ว่าเป็นบุญปริมาณเท่าไหร่คิดดูนะไปหาบุญที่ไหนที่จะเกิดได้ยาวเท่ากับการสรรเสริญพระพุทธคุณแต่ถึงกระ น, นั้นคนที่ไม่มีปัญญาทั้งหลายมองว่าการสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นเรื่องเนิ่นช้า เพราะปัญญาเขาน้อยเกินไปว่าเขาไม่รู้หรอกว่าสติที่เขาโครจรไปในพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุญขนาดไหนซึ่งบุญเหล่านี้เขาไปหาทําได้ที่ไหนที่มันได้มากขนาดนี้ได้ยาวขนาดนี้แต่ก็จะเอาอะไรกับความเป็นพานจะเอาอะไรกับความเป็นคนเขาจะเอาอะไรกับความเป็นคนบอดคนบอดวิจารสีก็เสียหายคนหนวกวิจาร์เสียงก็อันตราย ชันใดก็ดีผู้ที่วิจารณ์การไม่ตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็เป็นคนที่น่าสงสารฉันนั้นเนี่ยนทีนี้การสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนะการตามระลึกการกราบการไหว้พระรัตนตรัยเนี่ยมีมีคุณมากจริงๆข้อความในคัมภีร์อปทานอปทานเฉพาะพุทธาประทานพุทธาปทานเป็นเรื่องแรกของคัมภีร์อปทานกล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นอจินไตย คนของพระธรรมก็เป็นอจินไตผู้ใดตามกราบไหว้ระลึกนึกถึงคุณของสิ่งที่เป็นอาจินไตยอย่างนี้บุญที่เป็นอาจินไตหรือวิบากที่เป็นอาจินไตจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นเนะเมื่อใดนะกรรมสกตาสัมมาทิฐิของเราเนี่ยจะได้ปดิสถานตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยอย่างนี้มากมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ช่วงหลังมานี้เขามานี้ก็เอาอาชีพหลักนี้ไหว้พระธาตุกอะไรนะกรรมที่ทำหลักนะกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมหลักเนี่ยคือการติดตามไหวพธธ้พระธาตุพระพัทมาสามพุทธเจ้ารองลงมาก็เนี่ยบรรยายธรรมเนี่ยวัจีกรรมรองรอ ง, รองลงมาเพราะฉะนั้นถือเอาไหว้เป็นเรื่องหนึ่งนะบรรยายเป็นเรื่องที่สองแล้วก็ที่สามนี่ยังนึกไม่ออก ว่าเอออะไรนะเป็นเรื่องที่สามเนนะโอ้เลี้ยงอาหารปลานี่ไปเที่ยวละลายเกลือก่อนเกลือแถวๆนั้นมันเค็มนั่นก็ต้องเอาน้ําจืดเนี่ยไปเทเยอะๆๆผมจะได้จางพอจางระดับหนึ่งก็ไปหาอย่างอื่นทําต่อเนี่ยนะคงไม่ถือยึดอาชีพเลี้ยงปลาเป็นหลักหรอกจริงๆก็คือก็ทําบาปเกี่ยวกับเรื่องปลาไว้เยอะเนี่ยนะก็เลย ไปเที่ยวปล่อยปลาปล่อยเสร็จก็ต้องไปเลี้ยงอาหารหน่อยจะได้นึกถึงปลาเมื่อไหรก่ก็คือคำว่าปลาเนี่ยคอมานี่จะเป็นประตูนรกเนี่ยนะตรงๆนะคนอื่นไม่ทราบนะแต่ถ้าก่อนหน้านี้คำว่าปลาขึ้นมานะถ้าได้ยินก่อนตายยังไงก็ไปอาบายแน่นอนชัวรอยเปอร์เซ็นะทำไมรู้ไหมบอกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยอายุสัก9ก้าขวบขึ้นมานี่ก็เริ่มข่าปลาเป็นลน่นะข่ามาจนถึงอายุข่าอยู่หลายปีเหมือนกัน ได้วัน ล, ละขีดสองขีดวัน ล, ละครึ่งกิโลอะไรอย่างงี้ยนะแต่ก็ไม่ใช่ทําทุกวันแต่ก็มันเป็นลักษณะเด็กชาวชนบทนี่ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นนั้นญาติชมมากโอ้โนี่หาเก่งอะไรอย่า้ยคำชมตอนนั้นกลายเป็นคําชั่วในตอนนี้นะนะก็ก็เราได้อะไรได้คนที่เป็นศัตรูในคราบของญาติก็เลยได้ทําบาปแต่เราก็ไม่โทษเขาหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเขารู้เขาจะทําหรือ ถ้าเขารู้เขาจะอันนี้หรือมันการเลี้ยงอาหารปลาเนี่ยเไาเรียกว่าไปเจือจางความเค็มตรงนั้นออกไปนะนะก็ยังไม่ถือว่าเป็นอาชีพหลักแต่ที่รองอหลักกว่านั้นอีกจริงๆก็ระยะต่อๆไปนี่ก็คงการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติการอบรมศิกขาเนี่ยต่อไปนี่ก็คือตรงนั้นจะเป็นเรื่องหลักนะเรื่องหลักต่อไปซึ่งการติดตามไหว้พระาธาตุก็คงได้ไหว้แค่อีกระยะหนึ่งเท่านั้น ถามว่าทำไมเพราะว่าปัจจัยแห่งการไปไปไหว้พระธาตุเนี่ยปัจจัยเยอะคําว่าปัจจัยนี่ไม่ได้แปลว่าสตังเสมอไปอนะก็คือเหตุที่จะทําให้ไปไหว้พระธาตุเนี่ยมีเหตุเยอะเพราะฉะนั้นก็ที่ที่ไปไหว้ไหวมาก็คือว่าเป็นที่พอใจเนี่ยนะก็ขาอาจจะเก็บไว้ระลึกถึงภาษาไทยเขาเรียก อ, อะไรนะเก็บไว้ในความทรงจำใช่ไหมแต่นี้ก็เก็บเอาไว้ภาษาคนคอมเมนตก็เขียนจดหมายก็บอกเก็บไว้นึกถึงเขาบอก น, น เขาเขียนจดหมายมาเขาให้รูปมารูปหนึ่งก็บอกว่าเอาไว้เก็บไว้ไว้นึกถึงนี่ก็เหมือนกันก็จะพยายามเก็บไว้ในความทรงจําเพื่อเจริญพุทธานุสติเพราะว่าความทรงจํานี้เป็นเหตุใกล้แห่งแห่งอะไรสัญญาเป็นเหตุใกล้ของสติเนี่ยนะอันถ้าเราเก็บไว้ในความทรงจําเราก็จะเจริญพุทธานุสติได้อย่างข้างหน้ามองเห็นพระธาตุพนมเนี่ยพระธาตุพนมก็เป็นที่ที่เราไปบวชเป็นที่ที่เราจะต้องไประลึกถึง เอาไว้บ่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งการตามกราบตามไหว้ตามระลึกถึงตามสรรเสริญคุณพระตนะไตรอันนี้ก็เป็นเป็นท่อบุญท่อกุศลไปหาบุญที่ไหนนะที่จะได้มากได้เยอะได้ยาวขนาดนี้ตัวบุญเนี่ไม่ได้ประวัติที่มหาพูดนะบุญนี้วัดที่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมไม่ใช่ วัดที่ศรัทธาวัดที่วิริยะวัดที่สติวัดที่สมาธิวัดกันที่ปัญญาสิ่งเหล่านั้นเป็นบุญวัดที่กายกรรมที่ไม่มีโทษวัดที่วจีกรรมที่ไม่มีโทษวัดที่มโนกรรมที่ไม่มีโทษเนี่ยนะก็วัดวัดเอาที่คุณธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้คือศรัทธาเป็นต้นที่หลังไหลไปในพุทธคุณเนี่ยนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นบุญที่หาประมาณไม่ได้ แล้วบุญประเภทนี้เบาในสังสารวัตรอันยาวนานเนี่ยหาทำได้ยากทำไมจึงหาทำได้ยากเราคิดหรือว่าพระาธาตุจะมีให้กราบไหว้ตลอดไปพิดอย่างั้นไหมพระาธาตุมีอยู่แต่อาจจะไม่มีแรงไปก็ได้หรือไม่พระาธาตุเขาก็อัญเชิญไปที่อื่นอีกต่อไปก็ได้ น, นะนะพันก็ตามกราบตามไหว้ตามระลึกถึงเอาไว้ให้เยอะๆเถอะ เมื่อเราติดตามตามระลึกนึกถึงศรัทธาของเราก็ตั้งมั่นในพระคุณของพระองค์ที่นี้จากการไปกราบไหว้เลยล้หแห่ง ก, ก็ได้อธิษฐานอยู่อย่างหนึ่งขึ้นมาว่าขอให้เรามีศรัทธามากกว่านี้ศรัทธาที่มีอยู่ดูจะน้อยเกินไปสำหรับคุณของพระองค์ว่างั้นคือคือดูเรามีศรัทธาในพระองค์ไม่พอนะยังยังไม่มากพอ ทำยังไงนะไหว่เท่าเดิมกราบเท่าเดิมสันเสริญเหมือนเดิมแต่ศรัทธา ม, มากกว่าเดิมปีติมากกว่าเดิมบังเกต ด, ดูสวดมนต์เนี่ยนะเป็นวิชาที่คนแห่งแรงที่สุดเฉามากอนะแต่ก็มีนะคนที่เขาสวดด้วยความปีติอนะแต่ว่าไม่มากแต่ว่าสวดด้วยความอับเฉาเศ้าซ้อยโอ๊ยไม่รู้เหมือนเหมือนกับเรื่องหน้าเศร้าเหมือนกับร้องเพลงโศกอะไรสักเพลงหนึ่งกันนะนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นฮน เรามายัางแปลกใจว่าเอ๊ะปัญญาไม่พอหรื อ, อยังไงนะทั้งๆที่ท่องเที่ยวไปในคนดีขนาดนี้น่าจะปีติปราโมทย์เ อ, อบิบอิ่มกระชุ่มกระชวยใช่ไหมแม่พอสวดมนต์จบบอกโล่งอกไปทีคล้ายๆแบบนั้นอ่ะนะแต่หลายๆคนเนี่ยดูเป็นอย่างนั้นเข้าว่ า, าทําบุญไม่ดีอ่ะนะทำบุญมาไม่พอก็เลยต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้ได้มาพบมาเห็นในสิ่งที่ไม่ควรพบควรเห็นอะไรก็ไม่ทราบ นันของมาหวังว่าต่ อ, ต อ, ตอไปนี่อกุศลวิบากยิ่งเท่ น, นี้คงไม่เกิดอีกนั่นเงทั้งการตามสรรเสริญและลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมันประกาศถึงว่าเราจะเจริญในพระศาสนาแค่ไหนถ้าเราไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าในในที่ทุกหนทุกแห่งในทุกอารมณ์นะอย่าหวังเลยว่าเราจะมีคุณธรรมคือศีลได้ศีลเราก็ได้แต่สมาทานไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ แต่เราที่จะเห็นคุณของศีลจริงๆเนี่ยไม่มากดังกระจ์ถามง่ายๆตั้งแต่เช้ามามองเห็นวัตถุของศีลกี่วัตถุแล้วนอกจากคิดถึงคำว่าศีลอาจจะนึกถึงนะพูดปาน้าธิปาตาอาจจะนึกถึงคำว่าศีลแต่มองเห็นไหมว่าวัตถุเหล่านี้คืออารมณ์ของศีลของเราเนี่ยคือศีลของเรานะเข้าของเครื่องใช้ทุกชนิดเนี่ยคือศีลของเรา มองให้เห็นศีลหรือยังพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสวงหาศีลขันธ์อันใหญ่ใช่ไหมก็แสวงหาศีลตามดอกไม้เนี่ยศีลอยู่ตรงไหนในส่วนของดอกไม้ศีลอยู่ตรงไหนในส่วนของพื้นดินศีลอยู่ตรงไหนในส่วนของเนี่ยผ้าม่านข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดศีลอยู่ตรงไหนในบุคคลต่างๆมองเห็นศีลเหล่านี้ไหมถ้าเรามองเห็นศีลเราก็พบศีลแต่ถ้าเราอ่านจากสิ่งเหล่านี้เห็นศีลตัวเองไม่ได้ ประตูอบายไม่ได้ปิดอะไรเลยนะกลับว่าโล่งเหมือนเดิมนะพันจะต้องมองเห็นวัตถุทั้งหมดเหล่านี้ให้เป็นเป็นศีลให้ได้ถ้ามองศีลในในอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้ศีลระวิสุทธิ์ที่เราจะมีได้อย่างไรเคยถามว่าเอ๊ก็รู้รกันอยู่ทําไมปฏิบัติแล้วไม่บรรลุมรรคผลสัทีรู้โดยการผ่านหูเสียงแว่แวๆผ่านหูมาไม่ได้เห็นศีลตามตามเป็นจริง เรามองเห็นเพื่อนเราเห็นแต่เพื่อนแต่เราไม่เห็นศีลเห็นลูกเห็นหลานแต่ไม่เห็นศีลเห็นบ้านแต่ไม่เห็นศีลเห็นแผ่นดินแต่ไม่เห็นศีลเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นถนนหนทางแต่ไม่เห็นศีลเห็นดอกไม้แต่ก็ไม่เห็นศีลเห็นดอกไม้ด้วยเห็นศีลด้วยไหมเมื่อเช้าเห็นอาหารด้วยเห็นศีลด้วยเลยไหมอนุโมทนาด้วยนะใครที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี เห็นแว่นตานาฬิกาก็เห็นศีลอยู่ด้วยส่องกระจกก็เห็นศีลอยู่ด้วยโอ้ถ้าเห็นได้อย่างนี้เห็นในทุกขนทุกแห่งในทุกอารมณ์เห็นท้องฟ้าก็เห็นศีลเห็นแผ่นดินก็เห็นศีลเห็นน้ําก็เห็นศีลเห็นต้นไม้ก็เห็นศีลเห็นข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเห็นศีลอยู่ในนั้นด้วยโอ้ถ้าเห็นอย่างนั้นนะอนุโมทนาด้วยนะเห็นชีวิตใครก็เห็นเป็นศีลไปหมดเลยเนี่ยนะใครที่ทําได้อย่างนี้ทําบุญอะไรมาเนอจึงจึงจึงทำได้เนี่ยนะ แต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะก็สมาทานสิทำไมเราไม่สมาทานเพื่อให้มีศีลในในทุกหนทุกแห่งมองเห็นคอมพิวเตอร์เนี่ยศีลของเรานะมองเห็นจอทีวีเออนี่ศีลของเรานะเรารักษาศีลเท่าไหร่ก็ว่าให้มันเห็นศีลเท่านั้นก็ยังดีให้เห็นศีลได้ในทุกหนทุกแห่งลืมตาก็เออเนี่ยศีลได้ยินเสียงก็อได้ยินเสียงศีลอยู่ให้เป็นไปกับศีลอยู่ให้ตลอดเวลาหรอ โอ้ได้ฟังเรื่องศีลมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะศีลคืออะไรอะไรคือศีลแล้วนามโอ้รูปเป็นศีลด้วยเหรอนี่แหละมันเป็นอย่างไงแหละอ่านึ่พูดไปพูดมานึกว่าเข้าใจเรื่องศีลเสร็แล้วไม่เป็นไรใจเย็นๆเข้าหน่อยอีกสามนาทีจะเล่าให้ฟังก็ ถ้าเรามองไม่เห็นศีล ใ, ในในทุกขนทุกแห่งเนี่ยนะมันมันประกาศถึงว่าเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามหาทุกขตะทุแ้แปลว่าเลวมากชั่วขะตะแปล ว, ว่าไปไม่ดีก็ยังเป็นบุคคลที่ไปไม่ดีเป็นกลุ่มคนเข็นใจไร้ซับอัพับซัในาศาสนานี้ถ้ามองไม่เห็นศีลเนี่ยนะก็ที่คําถามที่ถามว่าแล้วอะไรคือศีลเนี่ย เ, เป็นคําถามที่ดีเนี่ยนะเอามาก็เห็นด้วย ถ้าคำถามนี้ไม่ดีภาษาริบุตรไม่ยกมาถามหรอกภาษาริบุตรยกมาถามในปฏธธิสัมพิธามมรสีละมรยายานว่าอะไรคือศีลตอบได้เลยนะเยบบยอยอะไรคือศีลอ๋อละเอาไว้ก่อนงั้นเนี่ยเฉยๆไว้จะดีตอบไม่ได้ไม่เข้าเป้าเลยเสียคนเนี่ออตมาเนี่ยเยใครดีนะเป็นแพ้ ค, คนหนึ่ง ยมนุษอะไรคือศีลเจตนาเป็นเครื่องงดเวน้นคนอื่นคุณไม่ได้วนันอะไรคือศีลไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายวุ่นวายะน ะ, ะปะนาปะนาคอะไรคือศีลเจตนาเป็นเครื่องงดเวน้นเป็นศีลเชิท่านป้าเพ้นซี อะไรคือศีลอันนี้ใกล้จะปิดเทอมแล้วเนี่ยจะสอบแล้วไม่ใช่จะสอบนี่แหละสอบแล้ววัดผลสัมภาษณ์สดอะไรคือศีลอ่าก็ใช่ใช่เอากิดมาตอบก็ยังดีละศีลคือการกระทำ นั่นแหละมันน่าสงสัยใครอีงนะเป็นแพ้อีกนายตาศพพบตาเสือแม้ร้ายเหลือให้ศบตอบมาตาพาเนี่ยพอจะถามน้วก็แหมหลบตากันกลัวมากมเขาบอกว่าตัวศีลเนี่ยนะเจตนาศีลังเจตนาก็เป็นศีล เจตสิกก็เป็นศีลสังวรก็เป็นศีลการไม่ล่วงละเมิดก็เป็นศีลตัวศีลจริงๆเนี่ยคือคือสีอย่างเนี่ยนะจำใหม่นะตัวศีลที่เราจะต้องรักษาคือเจตนาก็เป็นศีลรักษาเจตนาได้ไหมรักษาเจตนาที่ไม่ยอมให้ความทุศีลเนี่ยเกิดขึ้นตั้งใจแบบนั้นไหมสองรักษาเจตสิกที่เป็นกุศล อะโลภเจตสิกอโทสะเจตสิกอโมหเจตสิกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะโดยที่ไม่ยอมล่วงละเมิดในวัตถุนั้นไหมแล้วก็สังวรก็เป็นศีลสังวรคืออะไรสังวรห้าปฏติโมคสังวรอันะอินทรีย์สังวรหรือสติสังวรญาณสังวรวิริยะสังวรคันติสังวรญาณสังวร วิริยะสังวรสังวรเหล่านี้มีไหมแล้วก็สุดท้ายคืออวีติกมะการไม่ล่วงละเมิดไม่ยอมให้อกุศลมันทะลักออกมาเนี่ยคุมมันได้อะไม่ให้บาปอากุศลมันทะลักออกมาอันนั้นแหละคือศีลมาว่าสงสัยเราจะเรียนสูงกันไปหน่อยเรียนโน่นปฏิปทาญานทะัศนวิสุธทธิเกือบนิพพานละกลับมาถามสีลวิสุธทธิก็โตกรณรนรนาณะไปหมดมันก็เป็นเครื่องวัดว่าเออ แต่ก็ที่ได้ฟังก็ได้บุญไปแล้วไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเห็นว่าได้ได้บุญจริงๆได้บุญเพราะได้ฟังแต่ว่าที่เอามาใช้เนี่ยยังไม่มากนักนะเนี่ก็ติ่งๆไว้หน่อยว่าเราเอามาใช้ได้ไม่มากเนี่ยจากคำถามหลายๆคำจากสิ่งที่ทำคำที่พูดหลายๆอย่างก็วัดผลได้เลยว่าเจริญได้ไม่มากเท่าที่ควรก็คือยังยังสถานะทางการ สถานะทางอริยสัพย์ไม่มั่นคงสถานะทางอริยสัพย์ไม่มั่นคงเท่าที่ควรเพราะว่าศรัทธาก็มีแต่ว่าไม่มากศีลก็มีแต่ว่านั่งนั่เข้ารักษาศีลคือรักษาอะไรนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะเห็นทุกอย่างนะเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นข้าวของเครื่องใช้เห็นเพื่อนเห็นพี่เห็นมิตรเห็นน้องเห็นสามีเห็นภริยาเห็นใครก็ช่างเถอะนึกถึงเจตนาศีลของเราไว้ไหม นึกถึงเจตสิกศีนของเราไหมเห็นพรรมะนึกถึงเจตนาสินของเราไหมนึกถึงเจตสิกศีนของเราได้ไหมนึกถึงสังวรศีลนึกถึงอวีติกมะสินของเราได้ไหมเพราะพูดแบบภาษาธรรมะทั่วๆไปนะศีนเนี่ยเป็นสังขารขันศีนเนี่ยเป็นสังขารขันสังขารขันมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีผัสสะเป็นเหตุใกล้วันเราผัสสะในแต่ละทวารเนี่ยนะ ภาษาทวารตาเนี่ยภาษาอันเนี้ยเหตุใกล้ให้เกิดศีลไหมภาษาทวารหูเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลไหมภาษาทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจกระทบกระทบเหล่านั้นเนี่ยเหตุใกล้ให้เกิดศีลไหมทําไมศีลจึงไม่เกิดขึ้นมันจะต้องนึกถึงศีลให้บ่อยๆเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยในสิกขาสามเนี่ยท่านขึ้นต้นด้วยอาวัชนะเมื่อนึกถึงก็เป็น เป็นศีลนึกถึงก็เป็นศีลนึกถึงก็เป็นศีลเมื่อรู้ก็เป็นศีลเรารู้บ่อยไหมความรู้นี่มันเกิดกับจิตใช่ไหมเอาเรื่องศีลเป็นต้นมาคิดบ่อยไหมพอให้เป็นศีลเียนะเมื่อเห็นก็เป็นศีลเห็นว่าเป็นศีลของเราไหมตรงนั้นตรงนั้นเห็นนาฬิกาเนี่ยก็เป็นศีลเลยไหมเชื่อไหมคนในโลกนี่ทำบาปเพราะนาฬิกาเท่าไหร่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะนาฬิกามีไหมมันก็เห็นศีลไมเหระอยู่ที่นาฬิกานะ เห็นรองเท้าก็เห็นศีลด้วยแหละคนมันทะเลาะ ก, กันเรื่องรองเท้าไม่ใช่น้อยน้อยนะปานาติบาตอธินนาทานรองเท้าเนี่ยเครื่องมือแห่งปานาติบาตเป็นต้นนะนะฮะใส่รองเท้าไปเหยียบไปฆ่าสัตว์เป็นต้นรองเท้าก็เป็นวัตถุแห่งอธินนาทานรองเท้าเนี่ยก็เป็นเหตุใกล้แห่งกามเมได้เหมือนกันรองเท้านี่อารมณ์ของมูสาวาตอย่างดีเลยซื้อมาเท่านี้ไปบอกเท่าโนู้นเป็นต้นเนะี่ยะเป็นต้นนะมูสาวาตส่อเสียดกันทะเลาะกันด่ากันก็เกี่ยวกับรองเท้านี่แหละ อภิชากรรองเท้าเนี่ยพยาบาทโทสะขึ้นมาก็เพราะรองเท้าเป็นปัจจัยบางพวกก็ถือว่าใส่รองเท้าทําให้บรรลุได้เป็นต้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยเพราะอารมณ์ทุกอารมณ์ในโลกเนี่ยนะต้องมองให้เห็นสิกขาของเราให้ได้มองให้เห็นศีลนึกให้เห็นให้เป็นศีลพิจารณาให้เป็นศีลถ้าไม่เป็นก็ต้องหมั่นสมาทานสมาทานบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆ ให้เห็นเป็นให้เห็นศีลอยู่กับทุกหนทุกแห่งในทุกอารมณ์ปัญญาตัวนี้แหละเป็นตัวชำระศีลถ้าไม่มีปัญญาตัวนี้นะชำระศีลไม่ได้หรอกหลายท่านที่ไม่ทุศีลนี่เพราะไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยเช่นยังมีคนรู้อยู่